เคยมีกันสองคนรวมกันเป็นหนึ่งใจแต่วันหนึ่งก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีเพียงคำวันลาเข้ามาแทนความห่วงใยจากคนที่เคยรักก็มาเปลี่ยนใจ เธอเดินจากไปช้าๆทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาของฉันรู้ไหมว่าฉันเจ็บทำมากมายแค่ไหน หลับมาหมดปัญญาหัวใจจะรังชุดเธอไว้อย่าเลยอย่าทำไรด้วยการหมดใจเธอเดินจากไปช้าๆทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาของฉันรู้ไหมว่าฉันเจ็บทำ ม, มากมายแค่ไหน ของฉันจนเป็นพลาและมันบานลรือลึก ม, ม, มาจนการดูแลเมื่อเธอไม่เคยจะแค่ มันจเจ็บหรือมันทิ่มมันแทงหัวใจเมื่อเธ อ, อนนไม่ปรี๊ดใจใจของฉันจนเป็นแผลแล้มันบาดลึกลึกมากจนเกินรูแล้เมื่อเธอไม่เคยจะแคร์ว่าใจฉันจะเจะบทำสักเท่าไหร่